บูชาทังที่ได้กล่าวนะเราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสมาบมเพ็ญกุศลกันหลายๆอย่างที่เราได้ตั้งใจกันนะแล้วก็เตรียมการกันมาก็พอสมควรณสถานที่เหล่านี้นะที่ตรงนี้เป็นที่ตั้งของมูลอิธิแลวก็เป็นที่เจริญกุศลยมกลางในเป็นเจ้าของบ้านหลัง น, นี้มานั่งเป็นประธาน จุโทษเพียนเราโมทนากระโยมกันนะได้อุตส่าห์ให้ที่ที่แม้ถ้าขายก็เป็นเงินไม่ด้วยเท่าไหร่นี่ใช่ไหมล่ะแต่ความศรัทธาปราถนาให้เป็นที่บําเพ็ญกุศลนะปราถนาให้เป็นที่บําเพ็ญกุศลเราก็ได้มาร่วมกันในการเจริญกุศลในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะหาบุคคลที่มีความตั้งมั่นในพรารถนาไตรก็น้อยลง เพราะอย่าแปลกใจว่าทำไมความทุกข์ในใจของซาจึงมากขึ้นก็เพราะความเชื่อมั่นในพระธรรมตรายอ่อนแอน่าแปลกเพราะไม่มีที่พึ่งนั่นเองนะสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่พึ่งก็ไปเอาใจไปฝากไว้กับสิ่งเสพบางคนก็พึ่งสีที่สวยๆบ้างเสียงที่เพราะเพลาะบ้างกลิ่นที่หอมๆบ้างรสที่อร่อยบ้างสัมผัสที่นิ่มๆบ้างหรือ เอาไปพึ่งไว้กับบ้านบ้างกับทรัพย์บ้างกับบุตรก้างกับภรรยาบ้างกับสามีบ้างอะไรเงี้ยนะก็สําคัญมั่นหมายว่าอันนั้นเป็นสาระเป็นที่พึ่งหนักไปกว่า น, นั้นก็ต้นไม้บ้างภูเขาบ้างอะไรเงี้ยนะเทพเทวดาพรมก็ว่าไปเนี่ยสัตว์ทั้งหลายก็วิ่งกระเสือกกระสนหาสาระหาที่พึ่งกันถ้าปัจจุบันเนี้ยระบบเทคโนโลยีมันเจริญก็นี่แหละจิตของมนุษย์ก็ไปอยู่กับสิ่งเสพละสิ่งเสพวันหนึ่งวันหนึ่ง แล้วก็อยู่กับ iPad บ้างไอโฟนบ้างมือถือบ้างเลยวันหนึ่งเก้าชั่วโมงเลยโดยโเฉลีย่ยดูสิเนี่ยนั่นคือที่พึ่งของหมูสัตว์เพราะอะไรเพราะว่าไม่มีที่พึ่งก็เลยต้องอาศัยสิ่งเสพเป็นที่พึ่งเนียทีนี้พอตามันก็แย่ลงเว่งไงหูก็แย่ลงจมูกเล่นกายสภาพจิตใจสมองก็แย่ลงแล้วนักเข้านักเข้าเมื่อเมื่อไม่มีสิ่งเสพหรือสิ่งเสพเหล่านี้มันชํารุดหรือสิ่งเสพเหล่านี้มันแปรไป หรือสิ่งเสพเหล่านั้นมันไม่ได้ดังใจขึ้นมามนุษย์เป็นยังไงก็เครียดก็กลุ่มก็ทุกข์ก็ทรมานเพราะสัตว์ทั้งหลายก็พาหาสิ่งเสพเนี่ยเป็นที่พึ่งกันใช่ไหมเนี่ยพระเจ้าก็บอกแล้วว่านั่นไม่ใช่สาระอันกเกษมนั่นไม่ใช่สาระอันสูงสุดแต่หมู่สัตว์ก็ยังวิ่งกระเสือกกระสนหาที่พึ่งกันผิดทางกันอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยเราก็จะเห็นงั้นอย่าแปลกใจในขณะที่เราเห็นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพากันกระเสือกกระสนดิ้นรน หาสิ่งเสพกันหาสุขเวทนาใช่ไหมตัณหาเนี่ยให้สังเกตดูสภาพของตัณหาเนี่ยตัณหามีอะไรเป็นจุดหมายมีอะไรเป็นเป้าประสงค์มีสุขเวทนาเป็นจุดหมายมีสุขเวทนาเป็นเป้าประสงค์ตัณหามีอะไรเป็นศูนย์กลางมีอัตราตัวตนเป็นศูนย์กลางและตัณหามีอะไรอยู่เบื้องหลังมีอวิชชาคือความไม่รู้อยู่เบื้องหลังเห็ดูซิ มีความมืดบอดอยู่เบื้องหลังแล้วก็มีอัตตาตัวตนเป็นศูนย์กลางมีสุขเวทนาเป็นจุดหมายต้องการจะหาสุขเวทนามาตอบสนองอัตตาตัวตนตนเองเนี่ยแล้วทีนี้อัตตาตัวตนมันมีอยู่จริงไหมมันไม่ได้มีอยู่จริงเนี่ยเพราะตัณหาไปสมมุติว่ามันมี ไปสําคัญว่านี่มันเป็นผมของเราขนของเราเล็บของเราฟันของเราหนังของเราเนื้อของเราเอ็นของเรากระดูกของเราไตตับปอดหัวใจของเรามันสมองของเราไปสําคัญว่าไอสุขเวทนามันของเราทุกขเวทนาก็ของเราอุเบขาเวทนาของเราสําคัญว่าไอสัญญาความจําได้หมายรู้ของเราสําคัญว่าไอสังขารการปรุงแต่งสุขและทุกข์ก็เป็นของเราสําคัญว่าตัวการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการสัมผัส การรั่วลมทางตาหูจมูกเล่นกายใจเป็นของเราก็เลยสําคัญว่ามันมีอัตตาตัวตนอยู่ในเราเป็นแก่นเป็นแกงสิงอยู่ก็เลยต้องการวิ่งสนองหาสิ่งเสพทั้งหลายเนี่ยมาปนเปื้อมาปนเปื้อตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างแต่สิ่งเหล่านี้ยมันไม่ใช่ของเรามันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดางมันอย่างนี้สิ่งเหล่านี้มันก็ไม่คงทนมันก็ไม่ถาวรมันก็แปรเปลี่ยนใช่ไหม ดับไปสิ้นไปสลายไปไม่อยู่ในสภาพเดิมเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันไม่ได้เป็นไปตามใจเราดีแต่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยใช่ไหมเมื่อสิ่งอัตราตัวตนมันไม่มีอยู่จริงเมื่ออัตราตัวตนไม่ไม่มีอยู่จริงแต่ตัณหาไปสําคัญว่ามันมีอยู่จริงใช่ไหมทิฏฐิไปสําคัญมั่นหมายว่ามีอยู่จริงมานาไปสําคัญมั่นหมายว่ามีอยู่จริงเป็นต้นเหล่านี้มันก็ไปยึดถือไปยึดถือครอบครองก็ครอบงํากระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น ให้กระเสือกกระสนและดิ้นรนทุรนทุรายไปตามความทุกข์ทั้งหลายมาเบียดเบีย น, ย น, ยนก็หาแสหาเสาะห า, หาวิ่งดิ้นรนหาไหมแสหารูปที่สวยๆเ ส, สียงที่พ้อเพาะกลิ่นที่อมหอมเป็นต้นแต่สิ่งเหล่านี้มันก็แปลเปลี่ยนไปตลอดเวลาเลยใช่ไหมไม่มีอะไรเลยเปลี่ยนแปลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนี่คือความจรงิงของชีวิตมันเป็นแบบนี้ทําไมพระเจ้ า, าจึงอุบัติเกิดขึ้นมาพระเจ้าแสวงหาอะไร แสวงหาความไม่เกิดความไม่แก่ความไม่เจ็บความไม่ตายใช่ไหมแต่หมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็แสวงหาอะไรแสวงหาความเกิดใช่ไหมแสวงหาความเกิดแสวงหาความแก่แสวงหาความเจ็บแสวงหาความตายแสวงหาความโศกกันเนี่ยสัตว์เหล่นี้เนี่ยอะไรล่ะคือความโศกก็แสวงหาบุตรบ้างแสวงหาภรรยาบ้างแสวงหาสามีบ้างแสวงหาทรับบ้างสิ่งเหล่านี้มีความเกิดเป็นธรรมดานี่เป็นที่ตั้งความเกิดความแก่ความเจ็บเป็นธรรมดาใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายก็ดิ้นรน พรสิ่งเหล่าน like ี้แปลเปลี่ยนไปเป็นยังไงแปลเปลี่ยนไปก็ทุกเลยทีนี้จะมาทุกเลยอะไรเอาวรนเมื่อไรเนาะสิ่งเหล่านี้อยากให้กลับคืนมาสิ่งที่มันแปลเปลี่ยนไปแล้วมันกลับคืนมาได้ที่ไหนใช่ไหมเราดูทีเราลองเอาความเป็นเด็กกลับคืนมามันหายไปไหนความเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวมันหายไปไหนใช่ไหมไอความสุขในขณะที่แล้วมันหายไปไหนความทุกข์ในขณะที่แล้วมันหายไปไหน ใช่มโอ้โหมันอีกเยอะมากมายเลยที่เราไม่สามารถที่จะเอากลับคืนฟืน้นขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุปจัจจัยไอ้ธรรมดาเนี่ยดูเหมือนมันไม่ยากแต่มันยากตรงที่จะไปรู้จักธรรมดาของชีวิตเนี่ยมยากธรรมดาก็ดีธรรมชาติเนี่ยเช่ น, นธรรมดาของศรัทธาธรรมชาติของศรัทธาก็มีความเชื่อมัน่นใช่ไหม ในคุณของพระรันาตนตไตยเชื่อในความดีนี่ธรรมดาของเขาถ้าธรรมดาของความไม่มีศรัทธาอสัตย์ยัก็คือไม่เชื่อมัน่นในกระแสชีวิตไม่เชื่อมัน่นในคุณความดีไม่เชื่อมั่นในพระันาตนตไตยนี่ก็เป็นธรรมดาขเขาธรรมดาของความเพียรความเกล้กลาก็บุฝกฝ่าก้าวไปใจสู้แต่ธรรมดาของขีนามิท้าก็ขดหูท้อถอยถ้าธรรมดาของสติก็คือระลึกได้ดึงตรึงจับอารมณ์ได้ระลึกได้ ในกิจที่ทำในคําที่พูดแต่ธรรมดาของการเลื อ, ลอนหลงลืมสติก็คือการฟั่นเฟือนเลือนหลงรละลึกกุศลความดีอะไรก็ไม่ได้ถ้าธรรมดาของสมาธิก็คือความตั้งมัน่นธรรมดาของอุทธจักก็คือฟงูงซานถ้าธรรมดาของปัญญาก็รู้สิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นแต่ถ้าธรรมดาของโมหะก็คือไม่รู้ในสิ่งทั้งหลายตามที่มันจริงก็หลงทุกเรื่องเลยอย่างนี้เป็นต้นเห็นไม้มการจะรู้จักธรรมดาเนะี่ยมันยาก แต่พอรู้แล้วเนี่ยมันชื่นใจตรงที่ถ้าทำพัฒนาปัญญาเข้าไปเห็นความจริงตรงนี้แล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยที่ต้องการอยากเห็นก็คือต้องการเห็นไม่ได้เห็นสิ่งที่พิเศษอะไรนะไปเห็นธรรมดาไปเห็นกฎความจริงของสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นเนี่ยเราท่านทั้งหลายเราเป็นพุทธบริษัทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นในปัญญาตัสร้สัมมาสัมพุิญาณของพระเจ้าใช่ แล้วก็เชื่อมั่นว่ามนุษย์เนี่ยจะสามารถฝึกตนเองทําปัญญายาณเหล่านั้นให้เกิดขึ้นได้แล้วก็ตัดสรู้แจ้งความจริงตามพระพุทธเจ้าได้ถ้าเชื่อมั่นอย่างเนี้ยแปลว่าท่านทั้งหลายได้และตถาคตโพธิสัตว์บางคนเกิดมาทั้งชีวิตไม่ได้นะไม่ได้ตดถาคตโพธิสัตว์เช่นยังไงเช่นว่าไม่เชื่อการตัดสรู้ดีของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระตถาคตยามไม่เชื่อมีมนุษย์ท่านหนึ่งตัดสรู้สัมมาสัพพริยาณได้ด้วย เรี่ยวแรงด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบัน่นไม่เชื่ออันนี้มีไม่มีประการต่อมาคือเชื่อว่ามีพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกเชื่อมั่นว่าพราะองค์เป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกดกกเจเกเรตแต่สรู้ชอบไ ด, ได้ด้วยองค์เองถึงพร้อมในวิชาแปดเจรณะสิบห้าเชื่อด้วยแต่ไม่เชื่อมั่นตนเองว่าจะสามารถฝึกตนเองจากมนุษย์เนี่ยเข้าถึงความเป็นพุทธะได้ลักษณะอย่างนี้ก็ชื่อว่าไม่มีตถาคตโพธิสัตว์เพราะไปเชื่อ ข้างนอกแต่ไม่เชื่อศักยภาพความเป็นมนุษย์ของตนเองที่จะฝึกตนเองให้เข้าถึงความเป็นพุทธะตามท่านได้ไออย่างนี้ก็ยังไม่นับว่ามีต ถ, ถาคตโพ ธ, ธ, ธิสัต tha เข้าใจไหมคนที่จะมีต ถ, ถาคตโพ ธ, ธิสัต t h ก็ต้องมีความเชื่อมั่นสองหนึ่งเชื่อมั่นในองค์ของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในพระปัญญายานของท่านที่ท่านฝึกตนเองจนได้เป็นพุทธะได้แล้วก็เอาความเชื่อนั้นย้อนกลับมาที่ตนก็เชื่อมั่นศักยภาพของตนเอง ความมุ่งมั่นของตนเองว่าเราก็จะฝึกตนเองให้เข้าถึงความเป็นพุทธะตามพระสัมมาสัพพะทาให้ได้พระพเจ้าก็จะฝึกตนเองให้เข้าถึงความงามของพระธรรมศีลเป็นความงามในเบื้องต้นสมาธิเป็นความงามในท่ามกลางปัญญาเป็นความงามมันสูงสุดเชื่อมั่นว่าเราจะฝึกตนเองให้เข้าถึงความงามในเบื้องต้นท่ามกลางในที่สุดของพระธรรมไม่ได้อันนี้ก็คือความเชื่อมั่นในพระธรรมและเชื่อมั่นในหมุอรียสง์ว่าท่านสามารถระระาคะโทสะโมหะ เข้าถึงศีลสมาธิปัญญาเข้าถึงพระราตนาไตรเป็นส่วนหนึ่งในพระราตนาไตรยเข้าถึงมวลชนฟูมวลชนของอริยสังฆะชุมชนของอริยสังฆะได้เรียบร้อยแล้วก็มาเชื่อมั่นว่าเราก็จะฝึกตนเองจากปุถุชนคนมืดบอดเข้าสู่ความเป็นอริยสังฆะตามหมู่อริยชนนั้นใได้ถ้ามีความเชื่อมั่นในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ามีตถาคตโพธิสัทธาหรือรัตนตายตยัสสทาก็คือศรัทธาในพระราตนาไตร ถ้าไม่มีความเชื่อมั่นอย่างนี้เชื่อเฉพาะข้างนอกแต่ไม่เชื่อตนเองไปว่าเรายังไม่ได้ตถาคตโพธิ์ที่ศรัทาไม่ได้รัตนะแตยตสัทธาเนะยไม่ได้ศรัทธาในพระรัตนตรยพวกเราได้กันหรือยังได้ไหมถ้าได้ตรงนี้ถึงจะเรียกว่ามีศรัทธาเนะ่งั้นถามว่าเธอมีศรัทธาไหมบอกมีมีศรัทธาในไหนมีตถาคตโพธิศรัทธาไหม โอ้ชักแล้วเพราะตถาคต ม, มีโพิสถาไม่เชื่อพุทธเจ้าอย่างเดียวต้องเชื่อตัวเองด้วยมีไหมมีมมใช่ไหมมีมากมไหมยังไม่เออเนี่ยตรงเนี้ยนี่คือปัญหาเป็นปัญหาของพุทธเจ้าหรือปัญหาเราปัญหาตัวเองทําไมจึงไม่เชื่ออ่ถามต่อทําไมจึงไม่เชื่อมัน่นความเป็นมนุษย์เพราะอะไร แสดงก็ยังไม่เคยเชื่อใช่ไหมเชื่อไหมหนูเชื่อไหมเชื่อน่ะเนี่ยถ้ามีเห็นไหมว่าคําว่ามีตถาคตโพธิสัต tha เนี่ยเราท่องกันมาเยอะมากแต่เราไม่เคยเข้าถึงจริงๆการเข้าถึงจริงๆเนี่ยมันจะไม่ถอนตนออกแล้วมีความมุ่งมั่นบุกฝ่าก้าวไปแล้วจะเข้าถึงตรงนั้นแล้วมีความสุขมีความสุขเหมือนคนได้ที่พึ่งพราะคนได้ที่พึ่งจริงๆแล้วก็จะไม่วันไหวไม่วันไหวในเรื่องอื่นอีกเลย ใครจะมาชักจูงออกจากพระัตนตรัยใครจะมาชักจูงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายจะมาเบียดเบียนยังไงก็ไม่หวั่นไหวอุปสรรคปัญหามาเบียดเบียนยังไงก็ไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านไม่กลัวภัยอันตรายใดๆเลยมันเป็นอย่างนี้ถ้าคําว่าได้ศรัทธาเขาจะย่างโรคจะรุมเร้าหนี้สินจะรุมเร้าอุปสรรคปัญหาจะมายังไงไม่กลัวเลยเพราะอะไรเพราะได้อะไรได้ที่พึ่งแล้ว อยากจะให้พวกเราได้สัมผัสว่าได้ที่พึ่งแล้วถ้าคนแบบเนี้ไม่ต้องห่วงแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้ที่พึ่งเลยมันรู้สึกห่างไกลเหลือเกินเนี่ยเนี่ยได้แต่อย่างเนี้ยอยู่ข้างนอกตัวหมดเลยอะ่ะมองเห็นไหมเนี่ยโอ้พระพุทธเจ้างามแท้งามจริงจใช่ไหมโอ้ยงามจริงๆอยากถ่ายรูไปไว้ดูหน่อยอยู่นอกไหมดึงเข้ามาไว้ในตนได้ไหม พุทธะเป็นชื่ออะไรปัญญาตรัสรู้ความจริงใช่ไหมโพธิพุทธะโพธิญาณเป็นชื่องปัญญาทั้งนั้นยากไหมยอมว่ายากไหมการการได้ที่พึ่งเยยากไหมอยากให้พวกเราได้ไดที่พึ่งคนได้ที่พึ่งจะไม่นั่งร้องไห้ จะไม่ร้องไห้ว่าพ่อจากไปแม่จากไปเราจะต้องลำบากลาบนจะไม่ร้องไห้จะไม่ทุกข์ใจคนได้ที่พึ่งจะไม่ทุกข์ใจจำไว้แต่ถ้ายังไม่ได้ที่พึ่งก็จะทุกข์ใจตลอดมีใครว่านิดหน่อยก็ทุกข์ใครทำไม่ถูกใจหน่อยก็เครียดก็กุ้มอย่างนี้แปลว่ายังไม่ได้ที่พึ่งถ้าได้ที่พึ่งแล้วเนี่ยจะอยู่เหนือความทุกข์ใจก็จะยังอยากได้ไหมล้อได้หรือยังตอนเนี้ย จะไม่ทุกใจเลยแต่ก่อนนะ่ทุกตลอดมองไปที่ไหนก็ทุกจึงอยากให้พวกเราทุกกันเยอะๆพอทุกเยอะๆแล้วจะวิ่งหาที่พึ่งตอนนี้แสดงวพวกเรายังทุกไม่พอใช่ไหให้เจอปัญหาชีวิตเยอะๆให้เจอทุกเยอะๆแล้วต่นี้มันจะวิ่งหาที่พึ่งในสัตว์โลกนะี่เป็นอย่างนี้อาจจะคว้าผิดก็ได้ตรงนี้พยายามพูดให้เห็นว่าเห็นไหมว่าการระลึกถึงพระพุทธเจ้า เวลาเราสวดเนี่ยแม้พอเหตุนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระุทธเจ้าเป็นพระรหารเป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวดกันคล่องหมดนั้นเนี่ยเป็นผู้ถึงพร้อมในวิชาแปดเจดณาสิบห้าเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถิฝึกบุตษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาแล่นโดยทั้งเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมราชนะเนี่ยแล้วก็สวดกันได้หมดเลยนะแต่มันได้คล่องปากไปแค่นั้นเลย ใจมันไม่เข้าถ้าถามว่าพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์แล้วเราอ่ะเป็นอะไรเราเป็นอะไรปุถุชนไงใช่ไหมแล้วเราปรารถนาจะฝึกตนเองเป็นพระอรหันต์ตามท่านไหมตั้งใจไหมเชื่อมั่นไหมว่าสักวันหนึ่งเราจะเข้าสู่ความเป็นได้อาหารหันต์อาหารหันต์คุณตามท่านได้ถ้าอย่างเนี้เออแสดงว่าไม่เลื่อนลอยในการสาธยายในการสวดพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธะแต่รู้ชอบแต่รู้อริยสัจสีชอบได้ด้วยตนเองแล้วเราอ่ะ เราก็จะฝึกตนเองให้เป็นพุทธะน้อมรับคําสอนพระเจ้ามาพุทธปฏิบัติแล้วฝึกผลพัฒนาตนเองเป็นพุทธะตามท่านได้พระเจ้าถึงพร้อมได้วิชาแปดจารณะสิบห้าเราก็จะถึงพร้อมได้ปัญญาและจารณะก็คือศีลสมาธิปัญญาตามพระเจ้าให้ได้พระเจ้าเสด็จไปดีแล้วก็คือดําเนินไปตามมัชิมาปฏิบัติใช่ไหมเราก็จะดําเนินชีวิตกระแสชีวิตไปตามมาชิมาปฏิบัติตามท่านานี่แหละ อะไรคือมัชฌิมาโหเป็นเรื่องยาวเลยะเอะไรเนี้ยจะทํายังไงจะดําเนินชีวิตยังไงให้ได้สมถตาให้ได้ดุลยภาพให้ได้มัชฌิมาปฏิบัติานี่ยให้ได้ทางสายกลางเนี่ยกลางมันคืออะไรอตไรเนี้ยกลางคืออะไรอ่ะยอมกินเหล้าวันละสิบแก้วสมมุติเลยมาเดินสายกลางกินวันหนึ่งห้าแก้วอย่างนี้เปล่าอย่างนี้เปล่าเรียกว่ากลางด้วย่ะกลางมันไม่ใช่ ความไม่ดีนะกลางในที่นั้นมันเป็นเรื่องของความดีงามเนะ่ยห้ามเอาความไม่ดีบอกโอ้โหนี่ฉันก็ลดลงมาตั้งครึ่งหนึ่งแล้วฉันมาเดินสายกลางยังไม่ชอบท่นนี้ใช่ไหมละ่ะแต่ก่อนฉันก็บ่นเธอทุกวันจะไม่บ่นมากมากในวันต้งเป็นชั่วโมงแต่ตอนนี้ฉันลดมาเหลือสามสิบนาทีฉันเดินสายกลางไหมอย่างนี้เรียกว่ากลางไหมถ้ากลางคื อ, อยังไงกลางก็คือนอกจะละวจีทุจริต ดำเนินไปตามวาจีสุจริตใช่ไหมเออแต่ก่อนบน่นแต่ก่อนพูดคําหยาบก็ไม่หยาบเลยแต่ก่อนพูดเพอ้อเจอ้อก็ไม่พูดเพอ้อเจอ้อแต่ก่อนพูดส่อเสียดก็งดเว้นจากการพูดส่อเสียดแต่ก่อนพูดคําโกหกก็ไม่พูดติดต่อไปเลยละได้เด็ดขาดดําเนินชีวิตไปดําเนินไปตามสัมมาวาจาอย่างเงี้ยนะสัมมารกรรมตาก็เว้นจากการยาทุจริตสัมมาชีวะก็ ดำเนินชีวิตตีเว้นจาั ก, การายาธุจริตสาวจีทรจริศ ส, ส, สีที่เป็นการงานเนี่ยดาเนินอย่างนี้จริงๆเลยเป็นกุศลศีลเกิดขึ้นเป็นเจตนาศีลความเขากล่าสามารถกําจัดเวรละเจตนาอคติที่เป็นเหตุแห่งการพูดเท็จได้พอความคิดจะกล่าวเท็จมาเมื่อไรก็ทํำลายได้ความคิดจะพูดส่อเสียดมาเกิดในใจก็ทํำลายได้ทันทีความคิดที่จะพูดคำหยาบ เกิดขึ้นก็ทำลายได้ความคิดที่พูดเพื่อเจอเกิดขึ้นเจตนาชั่วร้ายทั้งหลายนะั้นละได้ทันทีตัดได้ทันทีแล้วก็ดําเนินสู่วจีสุจริตอย่างอย่างแท้ยังมีความสุขเอออย่างนี้เป็นมาชิมานะแม้พฤติกรรมทางกายมันเหมือนเมืนทางด้านใจเหมือนกันเวลาความเครียดความกัดกุ้มทั้งหลายจะเกิดขึ้นก็ทําลายได้ทันทีเป็นอย่างนั้นไหมมีสติกํากับอยู่กับตัวไม่ฟันเฟื่อนเลือนหลงก็ดําเนินชีวิตด้วยสติและสัมปชัญญะ ล, ลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าดําเนินชีวิตไปตามมาัจจิมาปฏิปทาได้จริงใช่ไหมยอย่างนี้เป็นต้นยากไหมในการปฏิบัติธรรมะยากไหมมันยากตรงไหนมันยากตรงที่ไม่รู้เพราะการดําเนินชีวิตเนี่ยสัมมาทิฏฐิต้องเกิดก่อนตั้งใจดูไหมคําที่จะเข้าถึงมัจจิมาปฏิปทาได้เขาต้อสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องดีไงทีนี้พอบอกว่าเห็นที่ถูกต้องเนยมันก็มีอย่างไงอะเห็น ไอ้ความเห็นว่าถูกต้องในทีน่นี้ก็หมายความว่าการดำเนินชีวิตของหมู่สัตว์ทั้งหลายเราเนี้ยที่จะสามารถดำเนินให้ถูกต้องดีงามเป็นต้นได้ยังเหมือนการเขียนที่บอกว่าปัญหาและอุปสรรคทุกเนี่ยเนี่ยเวลาเราเจอปัญหาเจอความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยใจเราเป็นทุกข์ไหมเป็นไม่เป็น ในขณะที่เราเห็นทุกปุ๊บหรือประสบปัญหาคือทุกปุ๊บใจเราก็ไปดูดรับปุ๊บแล้วก็เกิดความทุกข์เครียดกลุ่มขึ้นมาทันทีในขณะนั้นชื่อว่าเราดําเนินชีวิตผิดหรือถูกผิดหรือถูกเห็นไหมผิดนะแล้วควรดําเนินยังไงเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอความทุกข์มันถมล่เข้ามาปุ๊บแล้วตอนนั้นถ้าเราใจเข้าไปรับปุ๊บเป็นทุกข์ไหมก็เขาเรียกว่าไม่รู้ในอริยสัจทํากิจในอริยสัจผิดใช่ไหม คำว่ากิจในอริยศัสตร์ก็มีไงทุกขังปริญญาอย่างเนี่ยอริยสัตร์อย่างทุกเป็นกิจของอะไรเป็นหน้าที่ของอะไรทุกเป็นหน้าที่ของใจหรือเป็นหน้าที่ของปัญญาปริญญาปริ ญ, ญามาจากคำว่าปัญญาทุกเป็นหน้าที่ของปัญญารู้ไม่ใช่หน้าที่ของใจรู้ใช่ไหมละ่ะเราเจอปัญหาเจอความทุกข์ทีไรเนี่ยเราเอาอะไรไปรู้ พอเอาใจเข้าไปรับเอาใจเข้าไปรู้ขึ้นมามันเป็นยังไงแต่เนี้ยมันก็เครียดติก็กุ้มใช่ไหมล่ะแท้ที่จริงเวลาความทุกเกิดขึ้นปัญหามันมีอยู่ตลอดไหมจริงๆแล้วทุกมันมีในตัวมันเองตลอดนั่นแหละใช่ไหมล่ะปัญหาแม้กระแสชีวิตทั้งหมดมันก็เป็นกระแสของความทุกอยู่แล้วแม้รอบตัวเรามันก็เป็นความจริงคือความทุกแต่ว่าในคําสอนเนี่ยท่านหมายว่าเห็นทุกแล้วต้องทําใจให้เป็นสุข แต่ใจมันจะสุขไม่ได้ถ้าปัญญาไม่เกิดเพราะปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยทําให้จิตนั้นเนี่ยไม่ติดตังเวลาทุกข์่ยทุกข์เพราะแก่เนี่ยทุกข์เพราะเจ็บเนี่ยทุกข์เพราะตายเนี่ยเป็นธรรมชาติไหมทุกข์เพราะความโศกทุกข์เพราะเศรษฐกิจสุดโทมทุกข์เพราะดําเนินชีวิตผิดพลาดทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเลยเนี่ยไอ้ความทุกข์ทั้งหลายมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาของมันไหมแต่มนุษย์เนี่ย ไปปฏิบัติ ต, ตอบทุกข์หิตก็ตรงที่ไปดึงเอาความทุกข์ของธรรมชาติมาใส่ไว้ในใจเราแล้วก็ปรุงแต่งเลยแต่เนี้ยปรุงแต่งเลยแต่เนี้ยคือมีความสามารถมากมนุษย์เนี่ยแต่ใช้ความสามารถผิดใช่ใชไหมเช่นว่าพ่อตายแม่ตายสามีตายภรรยาตายลูกตายเกิดอุบัติเหตุรถชนอะไรก็แล้วแต่เศรษฐกิจไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ตแแตเงินในกระเป๋ามันลดลงเนี่ยเป็นธรรมชาตินะ ขึ้นลงไปตามธรรมชาติจะไม่ตามเหตุปัจจัยตามธรรมดาของของโลกและชีวิตเป็นมันอยู่เงี้ยมันเป็นมาหลายล้าน้านรอบแล้วจึงไม่ยังไงมันก็เป็นมันอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยในด้านของไอจักรวาลและโลกมันก็หมุนเวียนของมันเป็นอยู่อย่างเงี้ยเป็นธรรมดาของมันเนี่ยแต่พอมนุษย์ไปรับรู้มันไปรู้มันโอ้โหตอนนี้มันแย่แล้วตอนนี้มันปัญหามันลุ่มเล้าเข้ามาแล้วเนี่ยมนุษย์ก็เลยไปดึงไงดูดเข้ามาไว้ในใจคนพอมาไว้ในใจแล้วปรุงแต่งเลยต่อเลยทอนเนี้ยปรุงแต่ง เครียดไห ม, ไมไโอ้โหวิตกกังวลนอนไม่หลับสารพัดเลยแต่เนี้ยลักษณะอย่างเนี้ยมนุษย์ทําได้แต่สัตว์เดรัจฉานทําไม่ได้อสุนัขทําได้ไหมเวลาเกิดสามีเขาตายพ่อเขาตายแม่เขาตายอสุนักขก็าไปนั่งแล้วก็ปปรุงแต่งทุกทุกจนร้องไห้ร้องไห้แล้วก็เดินไปที่สะพานกระโดดน้ําตายมีไหมเธอเคยได้ยินข่าวไหมอ่ะทาไมเขาทําไม่ได้เพราะอะไร ฮะเขาไม่มีปัญญาไม่ใช่คือสัตว์เดรัจฉานมันปรุงแต่งทุกได้ไม่วิจิตเท่ามนุษย์มันปรุงแต่งไม่ได้ความสามารถมันต่ําจัดแต่มนุษย์เราเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถมากแต่ไปใช้ความสามารถไปในทางที่ผิดเท่านั้นเองคือปริมาณความทุกข์มันก็มีอยู่แล้วเนี่ยเที่ยวไปดึง ดึงความทุกข์ของชาวบ้านไปเสพข่าวนู้นข่าวนี้มาก็มานอนไม่หลับก็มีนะมนุษย์เราเนี่ยจริงไหมเคยเป็นไหมอ่านข่าวนู้นมันอยู่ต่างประเทศนั่นไนงะแต่ดึงก็มาโอ้โหนอนไม่หลับถามทาไมนอนไม่หลับแผ่นดินไหวไหวที่ไหนนู้นต่างประเทศโอ้ขนาดนั้นเลยนะเคยเป็นไหมอ่านข่าวโอ้โหเนายิงกันตายที่อเมริกาวู้ดตายตั้งเป็นร้อยเลยทานะไม่เมื่อคืนยมนอนไม่หลับไปถามทํำไมเขายิงกันตายยิงที่ไหนนู่นรนะัสเวกัส โอ้โหยมดึงความทุกข์ไกลเกินดีนะแต่ยอมระลึกได้มากกว่าเนี้ยถ้าระลึกชาติได้พวกนี้นั่งร้องไห้นะเนี่ยนั่งร้องไห้กับตนเองที่โดนกระทําทุกกระทำํำและไปกระทําคนอื่นในสังสารวัตรใช่ไหมล่ะเอาอย่างสมมตินะเอาสมมติเล่นๆสมมติยอมกลางระลึกชาติได้แล้วระลึกถึงภรรยาสมมตินะระลึกไปได้ห้าได้เก้าสิบอัตภาพแต่ทุกอัตภาพภรรยาฆ่าตัวเองตายมาทุกชาติเลยสมมติ สมมตินะแล้วจะจะทํำยังไงเอามาชาตินี้ยอมกลางจะทํำยังไงจะกล้านอนด้วยไหมหวาดระแวงก็ไม่หวาดระแวงอั น, นเรื่องนี้มันมีเรื่องเกิดขึ้นจริงๆนะมีพระรูปหนึ่งท่านไปปฏิบตัติมีอุบาสิกาคนเก่งมากบาสิกาคนนี้ท่านเป็นพระอนาคานะอุบาสิกาท่านนี้แต่เป็นเป็นเป็นยอมผู้หญิงดูแลพระบรรลุไปหลายชุดแล้วเป็นพุทธเจ้ายกย่องโอโหเก่งมาก ให้ทำ ม, มากก็เก่งให้อะไรกันผู้หญิงเก่งในสมัยข้ามพูดการเลยเนี่ยภารูปนี้ดีขาวไปบ้างของเราหญิงเปล่าที่รู้วาละจิตของเราเนี่ยก็ไปก็เลยลองคิดดูไงว่าพี่อยากจะฉันนั่นนี้ดูตอนเช้าเธอให้เอาคนใช้ออกมาให้หูขนาดนั้นเลยหรือเนี่ยทึ่งมากเลยรู้ไม่กระทั่งความคิดเราใช่ไหมผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาแล้วไปไปมาก็คิดไปคิดมานึกในใจอื้มหให้ละอายใจว่า ละอายใจมากเลยเนี่ยเราอยากจะกินเรามีจิตที่มันไม่บริสุทธิ์เนี่ยเธอรู้เราหมดเนี้ยก็เลยละอายใจต่อมาก็ประพฤติปฏิบัติทีแรกกลับไปแล้วพุทธเจ้าให้กลับมาที่เดิมก็มาประพฤติปฏิบัติให้เธอดูแลอยู่แล้วได้บรรลุไงพอท่านได้บรรลุเสร็จปุ๊บท่านก็เลยระลึกเอ๊ะทําไมเราผูกพันกับโยมคนนี้แล้วเกิ น, นมันมีอะไรมาท่านก็ระลึกโอ้เคยเกี่ยวข้องเป็นภรรยากับท่านมาไงแต่ ล, ลึกไปแต่ละชาติก็เห็นเนี่ยท่านถูกถูกผู้หญิงวันนี้ฆ่ามาทุกชาติเลย เก้าสิบเอ็ดชาติพอระลึกได้อย่างที่พบท่านรีบเก็บของเลยไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วจนยอมคนนี้มาบอกว่าให้ระลึกต่อไปด้วยใหญ่ระลึกแค่นี้ถึงระลึกต่อไปว่าอ๋อท่านก็เคยประทุสร้ายผู้หญิงมาอย่างไมขนาดนั้นในสังสารวัพูดอย่างนี้ไม่ให้ยอมที่ให้ยอมเอ็กได้ระวังแล้วัง มันขนาดนั้นนะเพราะเราไม่รู้ไงในปัจจุบันเนี่ยเราไม่เคยรู้เราเคยเคยบางชาติก็มาพันกันบางชาติก็เป็นศัตรูกันเนี่ยถ้าเขาคนรู้ความจริงของชีวิตเนี่ยจะไม่กล้าปัสสาวะ้ายกันเนีะมันยังไม่กล้าตั้งตัวเป็นศัตรูกันเป็นกลุ่มเป็นกกเป็นกองเราเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่กล้าอาฆาตกันอย่างทุกวันที่มาอาฆาตมาดร้ายกันปัสสาวะร้ายกันแบ่งพักแบ่งพวกเนี่ยเพราะไม่รู้สังสารวัตร ถ้ารู้ความจริงของสังสารวัฏเสี้ยมสลดมากเลยโอ้ไม่เอาแล้วมีแต่ว่าขวนขวายยังไงที่จะทําตนเปืืองตนเองให้ออกจากกิเลสละกองทุกข์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ไม่อยากจะแช่หรือจมอยู่กับมันเลยความทุกข์ความกัดกุ้มนี้ยคิดขนาดนั้นเลเนี่ยพอมองเห็นไหมนี่ความไม่รู้ของมนุษย์เนี่ยไม่รู้ในอัตภาพนี้เราก็ดําเนินอัตภาพนี้ผิด ไม่รู้อดีตแล้วก็ไม่รู้ว่ามันสั่งสมอัธยาศัยมาอย่างไงจึงมีอัธยาศัยแบบนี้มันไม่รู้เอาวิไม่รู้กรรมในอดีตแล้วก็ไม่รู้ผลในปัจจุบันไม่รู้เหตุในปัจจุบันไม่รู้ผลในอนาคตไม่รู้หมดเลยเน่อยไอความไม่รู้อย่างนี้ยภาษาพาก็เรียกวาวิชาอวิชาที่นี่ไม่รู้ทีนี้เวลาเจอปัญหาเจออุปสรรคขึ้นมาด้วยความไม่รู้แล้วก็ไปดึงมนทําไมเราต้องมาเจอแบบนี้ นี่ตั้งคำถามแบบนี้คำถามที่ตอบยากนี่ใช่ไหมทําไมเราต้องมาเจอคนคนนี้ทําไมเราต้องมาประสบปัญหาอย่างนี้คนตั้งทําไมหมดเลยแตยเนี่ยแต่ถ้าคนเขารู้เขาจะตั้งว่าทําไมไหมเขาจะตั้งว่าสมควรแล้วที่เรามาเจอแบบนี้มันสมควรกัเหตุที่ทํามาไงเพราะเหตุปัจจัยสั่งสมมาเราจึงมาเจอแบบนี้แต่เมื่อมาเจออย่างนี้แล้วเราควรจะวางท่าทีทางใจยังไงกับสิ่งนี้ เอาล้ทีนี้ก็พัฒนาปัญญาเขาไปรู้แล้วแทนที่จะเอาใจเขาไปรับเอาปัญญาเขาไปรู้ว่าเวลาทุกข์มันเกิดขึ้นเอ้ทุกข์ขังปริญญาอย่างเอาละเราจะวิจัยทุกข์นี้วิจัยปัญหานี้แยกแยะปัญหานี้ว่าปัญหานี้มันมาจากเขตไรเอาล้วทีนี้มาถอดสมการถอดองค์ประกอบแล้วมาไลา่วิจัยแยกแยะ แ, แล้วเริ่มแยกแยะเห็นอ๋อเห็นชัดเลยมันเหมือนกกรณีที่คนก็เก่งเรื่องเครื่องยนต์เนี่ย เขามองปุ๊บเนี่ยเอ๊ะทำไมเครื่องยนต์มันมีปัญหาหรือมันสร้างมายังไงไปดูรู้หมดเลยใช่ไหมหรือมีปัญหาอย่างไงก็สามารถรู้เหตุของมันได้พอรู้ไปเสร็จปุ๊บเห็นไ้มว่าหนึ่งเห็นตัวปัญหาพอเห็นตัวของปัญหาเขาจริงจจะรู้ทั้งหมดเลยรายละเอียดของปัญหาทั้งหมดสองรู้เหตุด้วยไอตัวปัญหาเนี่ยตัวทุกทั้งหลายอลไรเนี่ยมันเป็นควรรู้ควรกาหนดรู้ควรแยกแยะควรใช้ปัญญาไปวิจัยไอเหตุของปัญหาควรละเห็นไหม ควรลากควรประหารควรกำจัดแต่จริงๆยังไม่ได้ไปต้องไปทำอะไรมันเลยนะแต่นี็วางเป้าหมายวางจุดหมายเขาเรียกนิโรธจุดหมายอ่ยเป้าหมายนั่นน่ะควรรู้ถึงควรจะให้ประจักรแจ้งขึ้นมาให้ได้แต่เราก็ยังไม่ต้องไปทำอะไรมันทีนไม่ต้งสามส่วนเนี่ยเราไม่ต้องไปทำอะไรมันนะเราทำอยู่ส่วนเดียวคือมักคือการลงมือทำอการลงมือทำภาคปฏิบัติการเราปฏิบัติข้อเดียว แล้วมันจะสำเร็จผลทั้งสี่ทั้งตัวปัญหาเหตุของปัญหาและจุดหมายเนี่ยดาเนินตามมักก็คือวิธีการก็คือพัฒนาปัญญาในขณะที่ปัญญาเกิดขึ้นในขณะนั้นถามว่าความทุกข์มันเกิดไหมความทุกข์มันไม่เกิดแล้วเพราะปัญญาเกิดขึ้นมาปุ๊บใจมันก็ไม่เป็นทุกข์ไอ้ใจที่ไม่เป็นทุกข์ก็เพราะอะไรเพราะมันละอะไรได้ละสมุ ท, ทยัยละเหตุได้เรียบร้อยแล้วมันก็ดําเนินไปสู่จุดหมายการแก้ปัญหาทันที ก็ทําปัญญาข้อเดียวเท่านั้นแหละให้เกิดขึ้นแต่ปัญญามีเงื่อนไขว่าจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ถ้าจิตไม่เป็นสมาธิถ้าไม่มีสติสมาธิหรือสติก็มีเงื่อนไขว่าถ้าไม่มีกุศลศีลสุสจริตมันเกิดขึ้นไหมสุจริตสามมันไม่มีเนี่ยตัวสติตัวสมาธิไม่เกิดหลักการมีอย่างเงี้ยก็คือย้อนกลับไปอุ๊ยเราทำไมต้องพัฒนาจากศีลสมาธิปัญญาหรือปัญญาสมาธิศีลสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้มันเกื้อกูลกันเดินข้อเดียวมันครบในหลักการแก้ปัญหาคืออย่างนี้พอจะชัดเจนไหม หลักการแก้ปัญหาจริงๆเขาไปเดินข้อเดียวเขาไม่ได้ไปโอ้โหว่าปัญหาไม่ใช่เขาประพันธ์ทำปัญญาให้เกิดขึ้นแต่ปัญญามีเงื่อนไขว่าจะตั้งอยู่บนฐานของจิตที่ดีจิตที่แข็งแรงจิตที่ตั้งมั่นจิตที่มีสติเท่านั้นเองก็พัฒนาสติพัฒนาสมาธิทีนี้สติสมาธิตั้งหลายจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเรากายเรายังกระเสืิกกระสับกระายไปทาบาปอยู่นี่ก็ทาสุจริษาเกิดขึ้น เอาปัญญามาชำระสุจริตสามปัญญามาชำระจิตปัญญามาชำระปัญญาทําปัญญาให้เกิดขึ้นทําข้อเดียวได้ครบในอริยสัจหลักการคือตรงนี้ใช่ไหมที่วุฒิยาตัสรุวะหลักการคือตรงนี้ทีนี้เราก็งงกันดิมื่นนี้จะแก้อย่างไงเป็นปัญหาก็มานั่งท่องกันอย่างนี้เลยเอ้ยปัญหาลมเล่าเราปัญหาลุมเล่ au, าเราหลักการคืออย่างนี้พอจะมองออกไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอริยสัจเนี่ยทําข้อเดียวแต่ต้องรู้ต้องรู้จิตอของเขาก่อนนะ กิจเนี่ยต้องรู้ก่อนทุกคืออะไรนะนี้ทุกนี้ทุกคือตัวปัญหานี้เหตุให้เกิดทุกนี่เหตุของปัญหานี้ความดับทุกอันนี้คือตัวนิโรธคือตัวภาวะที่ปลอดจากปัญหานี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกต้องรู้ก่อนนะว่ามีอะไรบ้างต่อไปก็มาทํากิจกับเขาทุกควรกําหนดรู้ควรรู้จักจับตัวมันให้ได้มันได้แก่อะไรแยกแยกออกใช่ไหม ยังไม่ต้องทําอะไรก่อนนะตรงนี้ยให้รู้จักก่อนว่าต้อเนินกิจกับเขาอย่างไงสมูทายควรละควรบรหารควรกําจัดควรละทิ้งใช่ไหมก็ยังไม่ต้องไปทําอะไรกับมันนะตรงเนี้นะให้รู้กิจของก่อนนิโรธควรรู้ถึงควรทําให้ประจักษ์แจ้งทําให้เป็นจริงขึ้นมาให้ได้ก็ยังไม่ต้องทําก่อนในภาวะที่ปลอดจากปัญหาโรคโปรงเปล่าจากปัญหาเนี่ยมาเลยมาทำมาร์ก่ะควรเจริญควรลงมือทําภาวนากิจเนี่ยทาข้อเดียวพอมาร์กมีอะไรบ้างอะสัมมาทิฏฐิสัมมาสงังกปะสรุปก็คือตัวปัญญา สมาวจา j a สมากรรมิตาสมาชีวก็คือศีลสมาวิมารสมาสติสมาธิสมาธิก็คือสมาธิสรุปก็คือศีลสมาธิปัญญาสามอย่างเนี้ยมาทําข้อนี้ข้อเดียวเข้าใจไหมฝึกปัญญาให้เกิดขึ้นพอปัญญาเกิดขึ้นกิเลสเกิดไหมไม่เกิดพอปัญญาเกิดขึ้นความทุกข์ใจจะเกิดไหมไม่เกิดสมาธิเกิดขึ้นสติเกิดขึ้นศีลเกิดขึ้นโอ้โหเป็นเรื่องกระบวนการการดําเนินไปตามธรรมะหมดเลยเราทําข้อนี้ข้อเดียวมันก็บรรลุ นะก็ถือว่าสี่ข้อก็ดาเดินไปได้ตามดาเดินก็ถึงสี่ข้อได้หมดเลยพอมองเห็นนี่ไงเอาสมมติอายกมาเป็นเคสเป็นตัวอย่างขึ้นมาจะได้เห็นว่าเออเวลาแก้ปัญหาแท่ไงยกตัวอย่างเช่นว่าโอ้โหยอยู่กับแม่หรืออยู่กับพ่อทุกจัง่ะทุกตรงไห น, นท่านพูดไม่รู้เรื่องสมมติพูดไม่รู้เรื่อง คำว่าพูดไม่รู้เรื่องแปลว่าอะไรคนแก่ใช่ไหมพวกเราแก่ๆกันนี่พูดพูดให้เห็นว่าแก่แก่นี่จะเราเราก็เคยเป็นเด็กมาอยู่กับแม่แล้วต่อมาเราก็มาแก่แล้วก็อยู่กับลูกทีนี้ลูกตัวแม่ป่วยเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันแล้วกว่าไปเถอะยาหมดแล้วนี่ธรรมชาติของเข้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมหมอก็บอกว่าต้องกินยา เบาหวานกินยาไขมันกินยาความดันเผลอเอาหัวใจต่อก็อีกให้กินยาทีนี้อาหารแต่เนี้ยต้องกินอาหารยังไงโอ้โหโลูกเครียดแล้วแต่เนี้ยเพราะเพราะแม่เขาก็อยากจะกินอาหารอย่างที่เขาชอบใช่ไหมพอแก่ตัวไปก็ถูกกำกับไม่ให้กินอาหารอย่างที่ที่ตัวเองชอบแล้วแม่เขาก็ทําไม่ได้ที่เขแก่เขาเคยยึดถือมาอย่างนั้นไอ้ลูกก็เครียดอีก เนี่ยปัญหาเหลือเกินเนี่ยบอกก็ยากให้นอนก็ไม่นอนตื่นนี่ไม่ให้กินยาก็ไม่กินยาอาหารที่หมอให้กินก็ไม่กินจริงไหมนี่คือปัญหาปัญหาของใครปัญหาของแม่หรือปัญหาของลูกปัญหาร่วมกันใช่ไหมแต่จริงๆมันอย่างนี้เราถ้าปัญญาไม่เกิดเราจะแก้ปัญหาไม่เป็นเลยนะแต่ถ้าปัญญาเกิดเขาแก้ยังไง ร, รู้ไหมหนึ่ง ถ้าปัญญาเกิดขึ้นมาก็มองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นแม่เป็นอย่างไรแม่มีมีบุคลิกภาพอย่างไรมีทัศนคติอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรมีพฤติกรรมอย่างไรก็เข้าใจตามนั้นให้หมดตามที่แม่เป็น น, <kaikki> ป น, นี่นี่ต้องรู้ก่อนนะไม่ใช่ตามใจที่เราอยากให้เป็นก็ละอย่างกันนะรู้และเข้าใจตามที่แม่เป็นทุกอย่างตามที่สามีเป็นทุกอย่างตามที่ภรรยาเป็นทุกอย่างอันเดียวกันเคตเดียวกันเดี๋ยวเราไปแยกแยะเอาเองเวลาไปแก้ปัญหา เขาเป็นอย่างไรก็รู้ตามที่เขาเป็นนี่ประการหนึ่งประการที่สองว่าเวลาเราจะปฏิบัติต่อเขาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นมาเราก็จะปฏิบัติด้วยความไม่อึดอัดไม่คับไม่ขัดเคืองแล้วเพราะจิตมันโปร่งแล้วเพราะปัญญานำใช่ไหมปัญญานำนี่ที่พอปัญญานำเสร็จปุ๊บปัญญาก็ไปแก้ปัญหาบอกว่าแม่หมอให้แม่กินยานี้กินน้ําตื่นแต่เช้าอย่างนี้อาหารแบบนี้ จะดีแต่สุขภาพของแม่แต่เห็นไหมแต่หนูจะไม่ทุกใจนะถ้าแม่จะไม่ทำตามเพราะเป็นสิ่งที่แม่เลือกสิ่งที่แม่ปฏิบัติหนูก็จะเข้าใจในสิ่งที่แม่ทำถ้าแม่จะต้องตายภายในหนึ่งเดือนหนึ่งปีอะไรก็แล้วแต่หนูก็จะวางท่าทีทางใจไม่ให้ใจเป็นทุกข์จะเข้าใจกระบวนการความเป็นไปของชีวิตสร้างเหตุปัจจัยอย่างไงก็ต้องได้รับอย่างนั้นนี่คือความจริง แต่หนูจะทําอาหารไว้อย่างสองอย่างนี้เป็นที่แม่ชอบอันนี้ที่ควรกินกับไม่ควรกินแต่แม่จะเลือกก็แล้วแต่ตื่นขึ้นแม่ต้อกินน้ําแม่จะไม่กินก็ได้หนูจะไม่บังคับนี่ยา ก, กินแปดโมงแม่จะกินสิบโมงยี่สิบโมงหรือไม่กินก็ไม่ตึงๆกาใจยัจยงก็เป็นเรื่องของแม่ถ้าแม่ถ้าจริงๆแล้วหนูอยากให้แม่อยู่กับหนูนานๆพ่ออยู่กับหนูนานๆานหนูจะได้ปฏิบัติในหน้าที่ว่าเป็นลูกที่ดีที่สุด หนูจะได้ได้กุศลแต่ถ้าแม่จะไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรชีวิตทั้งหลายเราเคยจากกันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนหนูเข้าใจมันแล้วหนูลักแม่นะใจจริงๆก็อยากจะยืมให้แม่อยู่กับหนูนั่นนะถ้าพูกนี้ชัดไหมแล้วเราก็ไม่ทุกข์เลยกลับมาก็นอนสบายมีความสุขถึงถึงเวลาฉันแล้ว